คุณทวสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะรายการ ส, นสนัสมนีสนทนามาพบกับท่านที่สถานีวิทยุเอฟเอคอบครัวข่าวร้อยหกกันอีกแล้วนะคะดิฉัน ส, นสนัญหน้าคมมือผู้ดำเนินรายการค่ะแล้วก็รายการนี้ต้องกลับเรียนท่านตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าเราอยากจะให้ท่านได้เข้าถึงคำสอนของระาศสาสระว่าทรงตรัสสอนเอาไว้อย่างไรแล้วก็ในความรู้นั้นๆเนี่ย จะเป็นประโยชน์กับเราตรงไหนอย่างไรส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพระสูน์ที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะคะแต่ว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่มีโอกาสได้รู้จักและเหนือสิ่งอื่นใดรายการนี้มุ่งเน้นให้ท่านทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติไปกับรายการได้นอกเหนือจากการฟังนะคะเป็นการสร้างกุศล ด้วยการปฏิบัติไปอีกทางหนึ่งซึ่งวันนี้ที่ฉจะกลับเรียนไว้ตั้งแต่ตอนต้นที่จะไปหาท่านเพรปุลเลยนะคะถามท่านเอาไว้เพราะว่าท่านก็อยู่ในสายแล้วเรียบร้อยเนี่ยว่ า, าหากบางคนที่ฟังรายการก็อาจจะไม่สะดวกที่จะนั่งลงแล้วก็รู้ลมหายใจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบตัติถึงแม้จะเพียงแค่ห้านาทีเจ็นาทีก็มีความรู้สึกว่ามันต้องรีบไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาสามารถ ที่จะเข้าสู่ในส่วนที่เรียนเรียกว่าการปฏิบัติไปด้วยวิธีอื่นที่ไม่ต้องนั่งปฏิบัติอย่างเป็นเรื่องเป็นราวหรือไม่ตอนนี้ก็ไปกราบนวสการถามท่านเพียบุญกันเลยนะคะพร้อมกับเตรียมตัวที่จะปฏิบัติกันเลยด้วยคะ่ะกราบนวสการท่านเพียบุญค่ะเชิญพรในเรื่องของการฝึกสตินะที่จะทําให้เกิดสมาธิเนี่ยเราจะฝึกกันที่จิตนะจิตนี้จะเป็นหลักเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอิริบทไหนที่ร่างกายของเราอยู่ จะเป็นการเดินการยืนการนั่งการนอนการทํากิจการงานหรืออย่างไรเนี่ยสามารถที่จะตั้งจิตเอาไว้ได้พระเจ้าเคยตรัสกับมหานามะเอาไวนะ้ยืนยันในเรื่องนี้ว่าการที่เรามาตั้งสติไว้เนี่ยทำได้ในทุกเรียบทไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งนอนตอนนี้คุณบางคนอนาจทากับข้าวขับรถโนะดยสารรถเมยรถยนต์ในะเวลาที่เรามาตั้งสติของเร า, เาไว้สักที่ใดที่หนึ่งนะจิตของเราก็มีจดจ่ออยู่ละ โดยการให้เรามาจดจ่ออยู่กับลมหายใจสนะมาจดจ้อนี้หมายถึงว่าเรารู้การงานในการทําสิ่งอื่นไปด้วยจะฟังเสียงไปด้วยแล้วก็รู้ลมหายใจไปด้วยในขณะที่เรารู้ลมหายใจเนี่ยจิตของเราก็มาอยู่กับลมหายใจในขณะที่จิตของเราอยู่กับลมหายใจเราก็ทําการงานไปด้วยนะเป็นเรื่องของจิตที่สามารถทําได้นะเรารู้อารมณ์ต่างๆได้นะพระเจ้าเคยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของจิตเกี่ยวกับเรื่องของกาย นะที่มีความสําคัญสัมพันธ์กันในลักษณะนี้นะว่าถ้ารือว่าเรามีกายอยูนะ่รับรู้ผ่านทางกายเข้ามาจิตเรารับรู้แล้วนะเราให้จิตของเราเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งกายก็เป็นส่วนหนึ่งจะทําให้เรารับรู้ถึงจิตเราตั้งได้นะกายก็ทํางานไปนะอย่าพราะพุทธเาเวลาที่เทศสอนนะก็ปากก็พูดไปนะใจก็เป็นสมาธิได้เพราะฉะนั้นในขณะที่เรารู้ลมหายใจอยู่นี้นะทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกายเรื่องของจิต ในตามพุทธพจน์ที่พระเจ้าได้ตรัสเอาไว้อย่าง น, นี้บอกว่าภิกษุทั้งหลายบุตรชนผู้ไม่ได้สดับจะพึงเบื่อหน่ายได้บ้างจะพึงคลายกำหนัดได้บ้างจะพึงปล่อยวางได้บ้างในกายอันเป็นที่รวมแห่งธาตุทั้งสี่นี้ข้อนั้นประเหตุว่าการก่อขึ้นก็ดีการสลายลงก็ดีการถูกยึดครองก็ดีการทอดทิ้งซากไว้ก็ดี แห่งกายอันเป็นที่ประชุมลงแห่งธาตุทั้งสีนี้ย่อมปรากฏอยู่เพราะเหตุนั้นผุุ้ชนผู้ที่ไม่มีการสดับจึงเบื่อหน่ายได้บ้างจึงคลายกำหนัดได้บ้างจึงปล่อยวางได้บ้างในกายนี้ส่วนสิ่งที่เรียกกันว่าจิตก็ดีมโนก็ดีหรือวิญญาณก็ดีต่างนี้นั้นผุุ้ชนผู้ไม่มีการสดับไม่อาจจะเบื่อหน่าย ไม่อาจจะคลกํกำหนัดไม่อาจจะปล่อยวางซึ่งจิตนั้นข้อนั้นเระเหว่าสิ่งที่เรียกว่าจิตนี้เป็นสิ่งที่ปุตุชนผู้ไม่มีการสดับได้ถึงทบแล้วด้วยตัณหาได้ยึดถือแล้วด้วยทิฏฐิโดยความเป็นตัวตนมาตลอดการชานานว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราปุตุชนผู้ที่ไม่มีการสดับ จะพึงเข้าไปยึดถือเอากายอันเป็นที่ประชุมลงแห่งธาตุทั้งสีน่นี้โดยความเป็นตัวตนยังจะดีกว่าแต่จะเข้าไปยึดถือเอาจิตโดยความเป็นตัวตนไม่ดีเลยข้อนั้นพระเหตุได้เล่าพระเหตุว่ากายอันเป็นที่ประชุมลงแห่งธาตุทั้งสี่นี้ดำรงอยู่ปีหนึ่งบ้างสองปีบ้าง3ปี4ปี5ปี หรือสิปีบ้าง20 30ปี5 0ปีหรือร้อยปีบ้างเกินกว่าร้อยปีบ้างก็ปรากฏอยู่แต่ส่วนสิ่งที่เรียกกันว่าจิตก็ดีมโนก็ดีวิญญาณก็ดีดังนี้นั้นดวงอื่นเกิดขึ้นดวงอื่นดับไปตลอดวันตลอดคืนเปรียบเหมือนว่านอนหรือลิงที่เมื่อเที่ยวไปอยู่ในป่าใหญ่ ย่อมจับกิ่งไม้ปล่อยกิ่งนั้นจับกิ่งเดิมเนียวกิ่งอื่นเช่นนี้เรื่อยไปเรื่อยไปข้อนี้ฉันใดสิ่งที่เรียกว่าจิตก็ดีมโนก็ดีวิญญาณก็ดีก็ฉะ น, นั้นเหมือนกันดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคนอืนนี่คือประสูนต์ที่ให้ฟังไปด้วยนะใกล้ครววไปด้วยนะรู้ลมหาใจไปด้วย ทำอย่งางนั้นอยงไปด้วยสามารถทําได้เชิญวอนสาธุค่ะท่านฝั่งค้านั่นก็เท่ากับว่าการที่ท่านมีโอกาสทําสมาธิในช่วงต้นได้รู้ร่วงไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามนะคะท่านสามารถมีสติได้ตลอดเวลาของการที่จะอยู่ในอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งที่ท่านไปบูรพูดหรือว่าทํากิจการงานใดทํากิจการงานหนึ่งขณะนี้ท่านฟังวิทยุต่อไปอีกจนจบรายการนี่ก็สามารถที่จะ ฝึกสติไปได้ด้วยตลอดถูกไหมคะนี่แหละวันนี้จึงได้ให้มาทําความเข้าใจเรื่องของจิตอย่างหนึ่งนะคุณยมติว๋วแต่ที่พูดในประชุมเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องจิตที่ว่าบางทีเราก็รู้ลมหายใจด้วยได้เล้วเราก็ฟังเสียงด้วยได้ฮะแล้วบางทีเราไปดูหนังเราก็ตาเราก็ดูหนังได้ฮะหูเราก็ได้ยินเสียงด้วยใจเราก็คิดไปตามปากก็กินป๊อบคอนะอากาศเย็ยนแล้วก็รับรู้ นะมันมันไปได้พร้อมๆกันแตนะ่จึงต้องทําความเข้าใจว่าอะไรจิตมันมันคืออะไรนะซึ่งปริชาเปรียบเทียบตรงนี้พูดถึง3อย่างคือจิต ด, ด้วยมโนโด้วยแล้วก็วิญญาณด้วยแล้วก็เปรียบเหมือนลิงเนะวลามันจะเดินไปข้างหน้าป่าใหญ่ๆเนี่ยนะเวลามันเดินทางไปมันก็จะโหนตัวมันไปเหมือนสไปเดอร์แมนสมยัยสมัยนี้เด็กอาจจะไม่รู้จักลิงละก็ต้องยกตัวอย่างสไปเดอร์แมนว่าโหนตัวไป ปล่อยกิ่งเดิมจับกิ่งใหม่ปล่อยกิ่งเดิมจับกิ่งใหม่แตนะ่ทําให้คนไปเข้าใจลักษณะว่าเฮ้ยจิตมันน่าจะมีดวงเดียวแล้วดับไปเกิดไปดับมาเกิดมาอะไรอย่างนี้นะทําความเข้าใจเรื่องของศัพท์ดีกว่าแต่มาจึงบอกว่าแหมเป็นความดีใจที่เราได้เรียนภาษาบาลีนะเอาคําว่ามโนกันในที่นี้พูดถึงจิตมโนวะิญญาณนมโนนจะเป็นธาตุอย่างหนึ่งเป็นนามธรรมานะซึ่งสามารถที่จะถูกล็อกอยู่ในกายได้นะเป็นมโนธาตุอยู่ในกาย ในกายของเรานี้มีใจอยู่มีมโนโอยู่นะถัดมาคือเรื่องของจิตคําว่าจิตเนี้ยมาจากธาตุที่แปลว่าจิตธาตุนี่คื อ, ค, อคือรากศัพท์นะจิตธาตุเนี้ยแปลว่ามีการสังสมมีการสังสมจิตในลักษณะที่มีการสังสมเมื่อไหร่นั่นคือลักษณะที่เรียกว่าเป็นจิตอย่างเช่นเราพูดถึงกระดาษซับมันอย่างนี้ คุณกระดาษสัมมันคุณเอากระดาษสัมผัสที่หน้าผากใช่ไหมแต่แล้วคุณมาซับที่ระหว่างจมูกแต่แล้วคุณมาซับที่คางไอ้น้ํามันที่อยู่หน้าผากมันก็มาที่คางด้วยมันก็มาที่จมูกด้วยกระดาษเนี้ยเป็นการสั่งสมนะเปรียบเหมือนกับจิตเรานี่แหละจิตเราตอนที่คุณนอนฝันเป็นยังไงมันจะมีสภาพสั่งสมมาถึงตอนที่ตื่นถ้าฝันร้ายจิตเราก็จะแบบวั่นวาวั่นวายถ้าฝันดีจิตเราก็จะเคลิบเคลิ้มเพลิดเพลินใช่ไหมเมื่อวานอารมณ์เป็นยังไงมันก็จะมีสภาพสั่ อาทิตย์ที่แล้วเป็นยังไงดีไม่ดียังไงแหมเดือนที่แล้วเป็นยังไงมันก็จะสั่งสมมาถึงเดือนนี้อาทิตย์นี้นะสิปีที่แล้วเป็นยังไงมันก็จะสั่งสมมาถึงวันนี้ชาติที่แล้วเป็นยังไงโกรที่แล้วเป็นยังไงแสงสารวัตรหมายถึงกลับที่แล้วเป็นไงมันก็จะมีสภาพสั่งสมสั่งสมมานี่คือจิตนะนี่คือจิตค่ะแล้วไอ้เจ้ามโนเนี่ยมันก็ไปทําหน้าที่เรียกว่าการรับรู้หน้าที่ในการรับรู้เนี่ยเรียกว่า วิญญาณวิญญาณะวิญญาณแปลภาษาไทยแปลว่าการรับรู้เช่นเราไปรับรู้ทางตาเราไปรับรู้ทางหูเรารับรู้ทางจมูกอาจารย์อาจายกตัวอย่างอย่างเช่นว่ากุญชันสนีคุญชันสนีเนี่ยเป็นคุณสรนสนีคนเดียวนะไม่มีสรนสนีอื่นสัรสนีนักพูดมีคนเดียวแต่ว่าในขณะเดียวกันสรนสนีก็ไปทําหน้าที่จัดรายการวิทยุเดี๋ยวไปอ่านข่าวเดี๋ยวไปทำางานการเมืองก็ทําหลายหน้าที่ถ้าเป็นคนคนหนึ่ง นะตัวคุณทํางานอยู่สถานที่แห่งหนึ่งเดีนะ๋ยวคุณก็เป็นพ่อด้วยคุณก็เป็นสามีด้วยแดีวนะคุณก็เป็นลูกของอพ่อแม่คุณด้วยนะทําหลายหน้าที่นะทําให้แต่ว่ามีคนคนเดียวเช่นเดียวกันจิตเรามีจิตเดียวแต่ทําหลายหน้าที่เดนะีบางทีเราไปรับรู้ทางตาล้วก็รับรู้ทางหูเดนะีบางทีในขณะที่เราอยู่ที่ทํางานลูกโทรม า, เ, าเราก็ต้างทำหน้า ท, ท, ท, ท, ท, ท, ที่พ่อด้วยทําหน้าที่แม่ด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยอย่างนี้เป็นตน้นเดเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นสภาพที่ ทำใหเราเข้าใจว่าโวไม่น่าเวลาเราดูหนังเนี่ยเราก็เห็นภาพด้วยนะเราก็ได้ยินเสียงด้วยนะมันทำสองหน้าที่พร้อมกันแต่จิตไหนก็จิตเราจิตเดียวนี่แหละสภาพสังสมอยู่อันเดียวเข้าใจนะเข <c oughs> ้า <c oughs> ใจแต่กําลังงงเพราะว่าเข้าใจแต่กําลังงงคือเข้าใจในสิ่งที่ท่านพูดแต่เมื่อสักครู่ดิฉันก็แว่วๆได้ยินพระสูตร ต, ตอนท้ายนะคะที่บอกว่าดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงนึงดับไปตลาดวันตลาดเกิน อ่า uh huh. แล้วอันนี้ก็เท่ากับจิตมีหลายอันไม่ใช่หรอดวงเนี่ยหมายถึงอะไร <c oughs> นะจริตมโนวิญญาณวิญญาณดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงดับไปมโนเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปนะเพราะฉะนั้นไอการรับรู้ของเขาเนี่ยอ่ะอยกตัวอย่างคุณไปดูหนังคนที่เคยเข้าโรงหนังจะทราบในขณะที่คุณตาดูอยู่ถ้าเป็นฉากไหนที่มันแบบมันๆใช่ป่ะเราจะลืมนึกไปเลยว่าแอร์มันเย็นหรือแอร์ไม่เย็นแต่ถ้าแอร์มันเย็นจริงๆการรับรู้นั้นจะปรากฏขึ้นมา แล้วมันก็ดับไปในไอความที่วิญญาณในการรับรู้ทางกายหรือคุณเคี้ยวปั๊บคอนหมดปุ๊บเอาการรับรู้ทางลิ้นก็ดับไปนะมันเกิดขึ้นมันดับไปเนี่ยคือลักษณะที่ดวงอื่นเกิดขึ้นดวงอื่นดับไปจริงๆคําแปลตรงเนี้ยไม่ใช่ว่าดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปต้องแปลว่าดวงอื่นเกิดขึ้นดวงอื่นดับไปนะซึ่งถามว่าจิตมันไม่ได้เป็นจะพูดว่ามันเป็นเหมือนยุงยวงก็ได้นะเวลาที่เรารู้เราไม่ใช้ไปด้วยเฮ้ยบานทีเราก็คิดไปด้วยนะ ก็คือจิตเราเนี่ยมันยืดไปมันไปทําหน้าที่ไงแต่จิตที่รู้ลมหายใจมันก็มีแล้วแล้วก็ไปคิดเรื่องอื่นมันก็เป็นไปได้เราจึงต้องรวบรวมมันมารวบรวมมันมาให้มาอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนไอการรวบรวมมาอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนมีอารมณ์อันเดียวเนี่ยคือสมาธิไงนะสมาธิคุณญยมติวเข้าใจไหมไม่เข้าใจให้ถามค่ะคือเอองั้นในความพ่านจะถูกต้อง ท่านก็เลยจะบอกว่ามนุษย์หนึ่งคนมีม จ, จิตเดียวเดียวตลอดไปตั้งแต่เกิดจนตายฟังนะจิตคือการสั่งสมอันเดียวถูกต้องคุณคมีการสั่งสมเดียวซึ่งการสั่งสมนี้ทําให้คุณบบแบบตัดสินใจแบบนี้เพราะมันสั่งสมมาอย่างนี้ค่ะอ่าคือหมายถึงว่าอตั้งแต่เกิดจิตที่สั่งสมมาเนี่ยสมมุติว่าดิฉันอายุหนึ่งขวบอ่าอืม ที่ท่านบอกสั่งสมมาเนี่ยสั่งสมตั้งแต่ที่ฉันอยู่ในคันมารดาหรือว่าเกิดออกมานอกคันมารดาจนถึงหนึ่งปีที่ครบหนึ่งขวบหรือว่าสั่งสมมามากกว่านั้นสั่งสมมาตั้งแต่ชาติที่แล้วกับที่แล้วนะสงไขก่อนที่แล้วนะสั่งสมมาตลอดค่ะอ่าก็สมบูรณ์ตั้งแต่ชาติที่แล้วแล้วจิตตัวงนี้ถูกไหมคะถ้าถ้าฟังอ่ามันเป็นสภาพที่ยึดถือมาเป็นตัวตนมานานละหาต้นหาปลายไม่เจอละ่ะเอาวางกันแต่ว่าที่มาประกอบกับเรื่องจิต วิญญาณเดี๋ยวสักครู่นะคะจิตจิตดวงอื่นเกิดขึ้นดวงอื่นดับไปที่ท่านกล่าวเมื่อสักครู่นี้ก็คือจิตที่กําลังจะสั่งสมใหม่อีกหรือจิตเดิมนั่นแหละที่อยู่ปนกันในนั้นคือท่านดูว่าไอ้เท่ากับดวงเนี้ยมันมีดวงเล็กๆๆๆอยู่ข้างในหอป่าคะไอ้ที่บอกว่าเกิดมากับตัวเราสั่งสมมาไอ้ที่ไอ้ที่ดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงอื่นเกิดขึ้นดวงอื่นดับไปคือวิญญาณนะวิญญาณวิญญาณเกิดดับได้ จิตกับวิญญาณไม่เหมือนกันหรอคะไม่เหมือนกันวิญญาณคือการรับรู้มโนไปทําหน้าที่รับรู้การทําหน้าที่ตรงนั้นเรียกว่าวิญญาณแตตัวอาจารย์มาเป็นพระใช่ไหมมาทําหน้าที่จัดรายการเราก็ทําหน้าที่คือวิญญาณตรงนี้เราออกมาในขณะเดียกันเราก็ต้องอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์ในขณะเดียกันเราก็ต้องไปบินบาตในขณะเดียวกันเราก็ต้องไปนั่งสมาธิภาวนาเราทําหลายหน้าที่ไอหน้าที่ตรงนี้ตรงนี้ตรงเนี้คือวิญญาณของเราจิตเรานี่แหละดวงเดียวนี่แหละ ที่ไปรู้ทางตาที่ไปรู้ทางหูที่มาฟังเสียงด้วยแน้วมันทำหลายหน้าที่ <c oughs> ได้พร้อมๆกันคือดิฉันดูพระสูตรไปด้วยนะคะเเลยที่บอกว่าส่วนที่เรียกกันว่าจิตก็ดีมโนก็ดีวิญญาณก็ดีทั้งหมดเนี่ยสาอย่างเนี่ย สมอย่างเลยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวที่เหมือนกันไมม่เหือนกั็อย่างมโนก็อย่างวิญญาณก็อย่างแต่มีธรรมชาติเหมือนกันคือดวงอื่นเกิดขึ้นดวงอื่นดับไปตลอดันรทัดคือมันมีธรรมชาติอย่างนี้แต่สอันเนี้ยไม่เหมือนกันใครว่าเป็นคําเดียวกันไม่ใช่วิญญาณก็ทําหน้าที่วิญญาณจิตมีสภาพสังสมก็ของมันมโนเป็นธาตุอย่างหนึ่งคำอ่าเป็นคนละอย่างแต่มีธรรมชาติแบบเดียวกันคุณสัญชณีเป็นคนเดียวกันนะ ตัวพระไปบูรเป็นเป็นตัวเดียวนี่แต่ว่าเดี๋ยวต้องมาจัดรายการเดี๋ยวต้องไปบินตบาบัมันทำหลายหน้าที่แต่การทำหน้าที่นั้นๆก็เป็นอย่างนั้นๆแต่มาจากคนคนเดียวกันน่ามันเป็นสิ่งเดียวกันนั่นเองค่ะอเอ่อในส่วนของสมมติว่าพูดเรื่องของของตัวของเราเนี่ยแล้วก็หน้าที่ต่างๆที่ทำนะคะตัวของเราเนี่ยทั้งหมดหมายถึงจิต ถ้าแปลอย่างนี้ถูกไหมคะแต่ว่ามีหน้าที่ต่างๆที่ไปทำเนี่ยถ้าหากว่าจะแปลกลับมาเข้าหาสามคำนี้ศัพท์เทคนิคของพระพุทธองค์เนี่ยนะคะก็คือวิญญาณวิญญาณคือหน้าที่ใช่ถูกต้องมโนคืออะไรคะมะโนคือที่เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเป็นสภาพอย่างหนึ่งเป็นมโนธาตุที่เป็นธาตุทีท่มันเหมือนกับธาตุกา ย, กยสิทธิ์ที่ล็อกอยู่ในกายได้ซึ่งมโนนี่แหละ ที่ถ้ามีสภาพสั่งสมมันจึงเป็นจิตถามว่าพระอาหารหันต์เนี่ยทําไมพระเจ้าบอกจิตดับไปนะจิตคือไอ้สภาวะที่มันจะสั่งสมได้เนี่ยมันดับไปมันจึงหาจิตของพระอาหารหันต์ไม่เจอเพราะจิตที่สั่งสมเนี่ยมันดับไปแล้วเลิกสั่งสมแล้วฉลาดแล้วจะไปสั่งสมทําไมฉันรู้แล้วว่าไม่ต้องสั่งสมคือมีวิชาปรกากฏอวิชาดับไปสังขารไม่ต้องมีการสั่งสมไม่เกิดปุ๊บจิตดับเหลือแต่อะไรเหลือแต่ความเป็นมโนคือสภาพที่เป็นประพัสศร น, นั่นเอง อ่าเข้าใจไหมค่ะคือดังนั้นเนี่ยคือฉินอาจจะไปเข้าใจมาแบบหนึ่งอยู่เป็นเวลาช้านานว่าว่าเหมือนกับว่าคือคือบางทีสับเราใช้ไม่รัดกุมพอไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าคุณยมติวว่าใจผิดหรอกแต่สับสัพที่เราใช้เนี่ยไม่รัดกลุ่มพอ คะ่ะก็คือคุณคะดังันอยากจะบอกว่าที่ผ่านมาตั้งแต่สมมติเราเป็นเด็กก่อนที่จะมาศึกษาคุณทันะเยอะๆเนี่ยดิฉันจะเข้าใจนำคำว่าจิตเนี่ยไม่ค่อยได้คิดถึงเท่าไหร่รู้แต่คำว่าใจกับคำที่รู้สึกว่าในกลุ่มของเรื่องที่ท่านได้กำลังมาบอกพวกเราคำที่ที้ฉัคุ้นเคยมากก็คือคำว่าวิญญา ณ, ญญาณแต่ที่ฉันเข้าใจคนละเรื่องกับที่ท่านกำลังสอนคือที่ฉันเข้าใจว่าวิญ ญ, ญาณน่ยคือจิตที่ท่านกำลังพูด คือเหมือนกับวิญญาณ น, นี่แหละคือตัวที่มันสังสมอมไม่ใช่มากับเราแล้วก็จะไปกับเราอ่าแต่แต่ทำไมถ้าเราใช้สัพทรัดกลุ่มแล้วเนี่ยเราจะชัดเจนมากคุณหติวเราจะชัดเจนมากค่ะและดิฉันเชื่อว่าท่านฟังส่วนใหญ่เขาเป็นอย่างนั้นเพราะถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนกับว่าเอาเวลามีคนตายเนี่ยนะคะเรามักจะพูดกันเลยว่าวิญญาณเขาเนี่ยคือน่าจะเป็นจิตที่สังสมเนี่ยนะคะดับแต่ว่าไม่ได้ดับไไม่่ด้อาที่ตลออดดไปนคืับทีี่กาย้ ใช่แล้วก็จะไปสั่งสมที่อื่นอาจะไปสั่งสมที่อื่นซึ่งความเข้าใจเนี้ก็ไม่ผิดถูกไหมคะเพียงแต่ว่าคําพูดนะผิดถูกต้องถูกต้องคําพูดบทเพียนชนะไม่เนี้ยบบางกันเถอะค่ ะ, ะก็เท่ากับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่เราเข้าใจว่าออกจากร่างเราแล้วจะไปอยู่ร่างอื่นคือจิตอะจะพูดอย่างนั้นก็ก็ได้แต่พระเจ้าจะเลี่ยงในการพูดอย่างนี้นะเพราะมันจะกลายเป็นสตตาธิถิ ผู้รู้แจ้งเลี่ยงอย่า้ผู้รู้แจะไม่เคยพูดอย่างนี้เพราะว่าพูดแล้วเดี๋ยวคนจะง ง, งแต่จะพูดชัดเจนเลยว่าวิญญาณเนี่ยไม่ใช่ไปถือเกิดนั่นนี่นะวิญญาณไม่ใช่แน่นอนชัดเจน อ, อันนี้จนคือวิญ ญ, ญาณ น, นี้เป็นดวงอื่นเกิดขึ้นดวงอื่นดับลงอ่านี้มันเป็นการทำหน้าที่แน่นอนอันนี้ชัวใช่ไหมค ะ, ะคือเหมือนกับพ อ, รอเราเนี่ยถ้าสมมติว่าขณะที่เรารู้อย่างหนึง่งแต่เราต่อไปเราไปรู้อีกอย่างหนึง่งอันนี้แหละคือวิญญาณทําหน้าที่ที่เปลี่ยนไปโดยวิญญาณที่รู้อย่างหนึ่ง ดักไปแล้วถูกไหมคะใช่ท่านค่ะคือเรนคิดว่าไม่ทราบท่านผู้ฟังทางบ้านกำลังงงหรือเปล่าแต่ในฐานะที่ท่านได้สอนมาตลอดเนี่ยนะคะท่านช่วยสรุปให้เขาเข้าที่เข้าทางกันหน่อยเถอค่ะสาธุค่ะก็เป็นว่าจิตเนี่ยใจเนี่ยมีสภาพบันเดียวใช่ใจมีสภาพอันเดียวและความที่มันมีการสั่งสมเราจะใช้คำว่าจิต นะนะไอจิตหรือใจที่ไปทําหน้าที่ในการรับรู้เราจึงเรียกว่าวิญญาณนะเหมือนกับตัวคนคนเดียวนะตัวคนคนเดียวแต่ทําหน้าที่หลายอย่างหนะ้าที่นี้ก็เปรียบเสมือนการที่จิตไปรับรู้แถวทางตาทางหูนะสิ่งที่เราท่านทำความเข้าใจในที่นี้ก็คือว่าเวลาที่เรามารู้ลมาใจอย่างนี้ก็ตามนะเราไปรับรู้คือเราเห็นวิญญาณตัวหนึ่งแล้วเรายังไม่เห็นจิตข้างใน จนกระทั่งเมื่อไหร่ก็ตามไอ้ที่วิญญาณนั้นมันก็จะดับไปดับไปดับไ ป, บไปจะเราเห็นเนื้อจิตแท้เนี่ยแล้วเห็นตามที่เป็นจริงว่าไอ้จิตนี้ไม่ไม่ใช่ของเที่ยงแท้อะไรเนี่ยเราวางตรงนั้นได้เราจะเข้าถึงจิตที่เป็นสภาพประพัสสอ น, นั่นคือใจที่แท้จริงคือมโนแต่เพราะนั้นเวลาที่เราทําความเข้าใจพระเจ้าจึงพูดในพระสูตรนี้ว่าเอ้งั้นเราจะทําความเข้าใจยังไงนะก็เข้าใจจากกายของเรานี่แหละนะเข้าใจจากกายของเรานะโดยความที่เรายึดถือกายอยู่แล้วนะเราเห็นกายนี้โดยความเป็นตัวตน นะเห็นแล้วมันไม่ดีอ้าวเราก็เห็นด้วยความไม่ไม่ใช่ตัวตนเบ้าอะไรเพราะกายนี้มันจะค่อยๆเสื่อมไปได้เสื่อมสภาพไปได้พอเสื่อมไปได้สภาพไปได้ เ, ไไดาาไไดเนี่ยธรรมชาตินี้ก็จะเกิดขึ้นกับจิตเหมือนกันเราจะคลายกําหนัดได้เราจะปล่อยวางได้นะซึ่งพลังการคลายกําหนัดพลังในการปล่อยวางเนี่ยก็ใช้กับจิตได้เหมือนกันแต่เพราะนั้นถ้าจิตเราเนี่ย เ, เวลาที่เราเห็นจิตเนี่ยอันนั้นไม่ใช่จิตหรอกอันนั้นเป็นแค่วิญญาณที่เราเห็นไปมันเกิดขึ้นดับไป เราต้องเข้าสมาธิลึกๆไม่ว่าจะอยู่ในเอเรียบทไหนก็ได้นะก็สามารถทำจิตให้มันรวมกันเป็นอันเดียเราจะเห็นสภาวะที่จิตแท้นี้ได้ค่ะนะคะผู้ปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยก็น่าที่จะเข้าใจอะไรได้มากยิ่งขึ้นทีนี้ในตอนต้นของพระสูตรหรืออาจจะกลางเข้ามานิดหนึ่งมีการกล่าวถึงเรื่องว่าถ้าจะยึดเนี่ยให้ยึดกายดีกว่ยึดจิต ใช่เดีน จ, จำถูกอ่ะคะถูกต้องถูกต้องอันนี้พูดถึงคนที่ไม่ได้เคยฟังธรรมไม่รู้ธรรมะแต่ถ้านผู้ฟังเนี่ยที่ฟังธรรมอยู่คุณุญยมติวะตาเนี่ยเป็นคนที่ได้เคยสลับฟังธรรมแล้วแต่เพดัะนั้นเราจะรู้แล้วว่าไ อ, ไอ้สภาพนี้มันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าคนที่ไม่เคยฟังธรรมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะถ้าเขาไปยึดกายเนี่ยยิ่งดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่ากายเนี่ยมันเสื่อมได้แต่เขาจะเห็นความเสื่อมตรงนี้เขาเห็นความที่มันไม่เที่ยงตรงนี้เขาก็จะคลายกำหนัดได้นะซึ่งถ้าไปยึดจิต โดยกวนเป็นตัวตนซึ่งเรายึดมาถือมานานแล้วอ่ะมันจะไม่ดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ฝึกปฏิบัติถ้าหากวา่าท่านยังไม่ไปไกลามากนะคะให้ยึดกายได้แต่ว่ายึดแบบมีความรู้อย่างนั้นหรือเปล่าค่ะถูกต้องเห็นกายโดยความเป็นของไม่เที่ยงไ ม, ไม่ใช่คำว่ายึด ค่ะให้เห็นโดยความเป็นของมันเองเพราะเราที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยคืออธิบายสภาวะที่มันจับต้องไม่ได้นะยกตัวอย่างอุปมาปไมยก็ให้เข้าใจได้ระดับหนึ่งเอ๊เราจะทําความเข้าใจยังไงก็อย่างที่เอามาว่าเริ่มจากกายคุณดีกว่านะอย่าเพิ่งเข้าใจจิตเพราะว่าเดี๋ยวจิตมันอาจจะง ง, งๆเอาเข้าใจที่กายนี่ก่อนนะกายเป็นสภาพอย่างไรจิตก็จะเป็นลักษณะเดียวกันอย่างนี้ค่ะอนะคะแล้วก็วันนี้ก็อทําให้ได้ดิฉันเองก็ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นนะคะว่า อ๋อไอความความเป็นเราถ้าเรายัางทอดทิ้งความเป็นเราไม่ได้เราก็จะมาและไปพร้อมๆกับจิตที่มีการสั่งสมใช่มาแต่ไหนแต่ไรก็ไม่รู้ละ่ะสั่งสมมาแล้วก็ระหว่างทางของการที่อยู่ในกายครั้งนี้ของเราเราก็สั่งสมต่อถ้าเราละไม่ได้ใช่ นะครถ้าเราปฏิบัติแล้วไม่สามารถพาตัวเองหลุดพ้นไปได้ก็จะไปด้วยกันอีกอืมต่อไปเรื่อยเรื่อ <laughs> ้นฟังอันนี้มีความท้าทายนะคะแล้วดิฉันคิดว่าฟังมาอย่าคิดว่ายากควรฟังต่อเลยคะ่ะเมื่อฟังมาถึงตรงนี้เพื่อที่จะได้ทําให้เรารู้ว่าอ๋อที่เราเรียนหนังสือมา ทั้งหลายทั้งปวงและเรายังมีความรู้สึกว่าทาไมเรายังมีความทุกข์อยู่ทําไมเรายังมีความทุกข์อยู่เราก็ว่าเราร่ํารวยเราก็ ว, าว่าเรามีครอบครัวที่ดีเราก็ ว, าว่าเราประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานทําไมเราจึงยังทุกข์อยู่แล้วมันจะออกจากทุกข์นี้ได้อย่างไร อ, อาจารยต้องการเพิ่มประเด็นนิดนึงตรงนี้ว่าเวลาที่เราเห็นจิตเนี่ยจริงๆก็น่า จ, จะเป็นการปรุงแต่งของจิตไม่ใช่จิตเดิมแทนะ้จิตเดิมแท้มีสภาพสั่งสมเราจะเห็นจิตที่เป็นใจเนี่ย คือต่อเมื่อมันมารวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวแล้วเครื่องปรุงแต่ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันดับไประ ง, งับไปนะซึ่งอันนี้อย่างที่คุณโยมตีว่าเนี่ยแหละว่าเป็นความท้าทายที่เราควรจะต้องทําให้ถึงโดยการเริ่มจากกายของเราก่อนนะซึ่งอันนี้จะสามารถทําได้ทุกคนทําได้หมดโดยเริ่มจากกายนั่นเองนะยามพาค่ะเริ่มจากกายที่ว่าของท่านคือพิจารณาถึงความไม่เที่ยงใช่นะคะซึ่งเราเพิจารณาได้ตลอดเวลา<ร>ความไม่เที่ย ง, งคือ<ช>มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ นะคะและอันนี้แหละลองพิจารณาแค่ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปไเรื่อยๆเรนคิดว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ง่ายแล้วก็อาจจะนําไปสู่ความก้าวหน้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเยีบากทุกท่านวันนี้ก็กราบในมร ส, ส ก, การขอบพระคุณท่านพิบุลเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเยีบากค่ะท่านฝั่งที่เคารพค่ะารายการสาสนิยสนทนานะคะเราก็พยายามที่จะให้ท่านเข้าถึงคําสอนของพระาศาสดาชนิดที่ว่า โดยปกติทั่วไปในชีวิตประจําวันเราอาจจะเศธรรมะเยอะแต่อาจจะไม่ได้มีการพูดลงรายละเอียดในลักษณะนี้ที่มีพระสูตรเป็นหลักในการที่จะให้เรามาทําความเข้าใจกันเมื่อทําความเข้าใจกันไปเรื่อยๆรเราจะได้สั่งสมในสิ่งที่เรียกว่าเป็นคำซ้อนของพระาศาสดาหรือว่าสุตตะล้วนแล้วแต่จะมีการเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันอันจะนําพาให้ ความรู้ความเข้าใจของเรานั้นท่องแท้มากขึ้นก็คงจะต้องอาศัยความต่อเนื่องในการที่จะฟังแล้วก็อาศัยการที่นําไปปฏิบัติ ด, ด้วยกับอาศัยการที่ท่านทั้งหลายนั้นต้องเริ่มต้นจากศรัทธานะคะในพระศาสดา ข, ของเราติดตามรับฟังรายการสั น, นสนนากันได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวเ ดิฉันสันสนีนาโพงนัดมาพบกับท่านในวันพรุ่งนี้พูทวสสวัสดีค่ะ